นะโมตัสสะภะคะวะโตยมได้ยนไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอ <c oughs> โตะระหะโหตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบังเวสรนังยันตี ตานิวนานิจารามรุเขเจตยานิมนุสย์ขยตาชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตมเนตังสรณมาขมาสัพทุขาปมุจติ โยจะพุทันจะทำมันจสังขันจารนังคตจตตาริอาริยสัจจานิสัมปัญายัสสติทุขังทุขสมุปทางทุขัสจะติกมัอยัจะทังที่กางขังุ ภูปัสะมคามินังเอตังโคสระนังเขมังเอตังสระนมุทมังเอตังสระนาธนรขมามสัปปทุขาปมุจติข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไลจากเล ตัสสรูชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยด้วยใจเคารพเ อ, อื่อเฟื้อมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดภยัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกเจทีบ้างว่าเป็นสารณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านั่นมิใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุด เขาอาศัยสาราะ น, ะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ทุกวงได้ส่วนผู้ใดพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าย่อมเห็นอริย ส, สัจสคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าร่วมทุกข์และอริยามรรคองคป8อันนี้ถึงความสงบระงับทุกข์ด้วยปัญญาชอบ พระบรมศาสล า, าตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ก็ขออนุโมทนากับโยมทั้งหลายนะเดีวันนี้เราจะฟังกันสบายๆนะมือลงกันได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องยกมือฟังกันสบายๆเลย พวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันอุโบโสถวันหนึ่งเนาะแล้วเราก็ได้เกิดมาในชาติเนี้เราได้เจอในาศาสนาของพระชินเจ้าทีนี้เนี่ยเราก็ได้มาเป็นพุทธบริษัทเนาะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าทีนี้เนี่ยเราเข้ามาเป็นพุทธบริษัทของของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามี ความเข้าใจมีความลึกซึ้งในคุณของพระองค์มากน้อยแค่ไหนเพราะตัวหนึ่งที่จะใช้ในการชี้วัดเนี่ยนะดัชนีที่จะใช้ในการชี้วัดเนี่ยว่าว่าการปฏิบัติของเรานะมันคืบหน้าหรือว่าเดินหน้าหรือว่าถอยอกลับลงเนี่ยเขาให้ดูกันตรงที่ศรัทธามีศรัทธามีศรัทธาไหมมีปัญญาไหม มีความเพียรไหมมีสมาธิหรือไม่มีสติหรือไม่อันนี้เป็นดัชชนีชีวะนะว่าตัวเราเนะี่ยให้โยมเรามาเจรจากันว่าเรานี่มีกันแค่ไหนเนาะแล้วคุณของพระพุทธเจ้าเราชัดเจนกันหรือเปล่าวันนี้ตมาก็จะมาพูดในเรื่องของคุณของพระภูมิรพระพเจ้าโดยย่อสุดๆเลยนะ พราคุณของพระพุทธมีภาภาพระพากเจ้าเราเนี่ยเป็นยังไงกันเนาะและที่เรามานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นชาวพุทธจริงๆที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้จริงๆหรือเปล่าไหนยมลองพิจารณาตรงนี้ดูเนาะไอ้คําว่าศรัทธาเนี่ยคําว่าศรัทธาที่แปลว่าเชื่อมั่นเนาะที่แปลว่าเชื่อมั่น เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพระอรหรันยมเชื่อกันไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหรันต์เชื่อไหมพระอรหันต์ที่มีจริงๆไหมมีจริงๆเนาะเป็นคู่ไกลาจากกิเลส ด, ด้วยส่วนเราล่ะเราเป็นผู้ไกลาจากกิเลสหรือว่าเป็นคู่ใกล้จากกิเลส วันวันนึงเนี่ยเราตื่นเช้ามาเราคิดถึงอะไรก่อนเราคิดถึงสามีก่อนเราคิดถึงซับก่อนเราคิดถึงภรรยาก่อนเราคิดถึงบุตรก่อนเราคิดถึงญาติมิจฉสหายคิดถึงซับคิดถึงรถคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนตรงนี้โยมพิจารณากันดีๆนะว่าเราคิดถึงอะไรก่อนทีนี้เนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่า ก็คือคำว่าศัทธาเนี่ยคือให้ hey, เราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองยมเชื่อไหมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา8และจรณะ15เป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารทีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ที่ตัดเป็นผู้ที่ตัสัรุในอริยสัจธรรมทั้งสี่นะก็คือทุกสมุทัยมีโรธละมะเป็นผู้จำแนกแจกแทงแจกแจงพระสัทธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเมื่อครั้นที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นในอินเดียใช่ไหมนิยมพอพอทราบข้อมูลตรงนี้มาไม ลัพุิจอุบัติเกิดขึ้นมาในประเทศอินเดียในยุคนั้นเนี่ยคนเขาคนเาทำอะไรกันอยู่คนทั้งหลายอ่ะเขาก็ไปนับถือเทวดาพระพรมพระอินกันไปนับถือเทวดาไปร้องขอร้องขอผลดลบรรดาลว่า ข้าพเจ้าขอให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าได้ทรัพย์ได้รถได้บ้านขอให้อาชีพของข้าพเจ้าประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่เรียกว่าล่องรอยไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้บันดาลผลดลบันดาลให้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วเมื่อพระพุทธเจ้า อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยท่านหลังจากที่ท่านเสด็จลงจากทานันก้าวเดินได้เจ็ท่านเปล่งอสภิวาจาก็คือวาจาอาถรรนโยมนะคนที่จะเปิดเปล่งวาจาอาถรรพอย่างคุณเจ้าได้เนี่ยนั้นท่านท่านท่านกล่าวว่าอะไรอัคโคหัสมิโลกาาัสสัตเศตโผหัสมิโลกาาัสสัตเชโผหัสมิโลกาาัสสัต อามนันธิมาชาตินัทธิฐานิพุนโะกท่านกล่าวว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีต่อไปนี่ท่านกล่าวกล่าวเพลงครับพิสวาจานะี่คือวาจาอ่านฐานว่าเนี่ยเราเนี่ยอุบัติขึ้นมาเป็นอาถภาพมนุษย์นะ เราเป็นมนุษย์นะยมเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นมนุษย์ไม่ได้มาในอัตภาพพรมหรือเทวดาเลยเมื่อพระพุทธเจ้าอุปาเกิดขึ้นมาแล้ ว, ลวเราก็เป่งวาจาว่าเราจะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นผู้ที่เลิศที่สุดเนี่ยก็ประกาศตนว่ามนุษย์จะเป็นผู้มนุษย์ประกาศตนว่ハハาเป็นอิสระภาพจากเทวดาแล้วก็สิ่งทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายที่ทผิดผิดทั้งหลายเหล่านี้ เปียนจากอาบุคคลเป็นใหญ่กลายขึ้นมาเป็นธรรมะเป็นใหญ่นะสังเกตให้ดีนะเขาเจ้าเพลงว่านี่แหละธรรมะส่คือธรรมะส่คือของจริงคือของสุดยอดอันบุคคลใดก็ไม่สามารถที่จะเหนือธรรมะไปได้แล้วนะพอท่านอายุยี่สบท่านก็ออก ออกบวชเนาะแล้วก็บําเพ็ญทุกการะทุกกา ร, ก, ก, ร, ก, รกิริยาอตมาพูดไม่ค่อยชัดนะข อ, อภัยด้วยนะบำเพ็ญทุกการะกิริยานะแต่ในที่สุดก็ได้ตัสารู้อันตรสัมมาสัมพุทญาณยอดเที่ยมนะและท่านแ ล, และท่านก็เป็นผู้เลิศจริงๆนะท่านฝึกตนเองเนาะท่านฝึกตนเองเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละที่สามารถตัสารู้อริยสัจ ส, สีได้แล้วก็เป็นผู้ประเสริฐจริงๆด้วย เป็นผู้ที่เจริญที่สุดจริงๆและท่านก็สามารถที่จะกำจัด ก, กิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากกระแสชีวิตของท่านได้อย่างเด็กขาที่ใต้ต้นใต้ต้ น, ตตนพระศรีมหาโพนะภุธพยาโยวงพีได้ยินไหมและที่การได้บรรลุธรรมของท่านเนี่ยในครั้งนี้ท่านก็ท่านก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้ตัสรู้อริยสัจสีโดยรอบ3ามอาการ12อ โดยรอบสามอาการที่สองก็คือคือท่านไปไ ต, ไ, ต ไ, ต ไ, ตไต่ไต่ไต่ตรองพิจารณาอริยสัจสีในในสรอบอาการที่สเป็นยังไงเป็นไอไอไอริยสัจสีรอบ3ามอาการทีสองก็คือสัจจยานกิจยานแล้วก็กัตตายานพอครบสามรอบท่านก็ยืนยันตัวเองว่าเป็นาศาสดาเอกของโลกเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วก็ตรัสรู้อริยสัจอันยอดเยี่ยมด้วย ในที่สุดมนุษย์เนี่ยแหละสามารถฝึกตนเองให้ถึงจุดสูงสุดได้ก็เข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้ยมเชื่อไหมเชื่อในส่วนนี้ไหมสิ่งนี้มีจริงๆไหมในโลกนี้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยและพอท่านยืนยันว่าท่านได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยท่านก็ท่านก็ ประกาศรร ม, มีใครเป็นเป็นพยานมีใครเป็นพยานคนที่กล่าวประถมมาเทศนาครั้งแรกก็คือปัญจวคีห้าเนาะตอนนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวธรรมาจั ก, กรปปวัตนสูตรที่ป่าอิสิส ป, ปนานะเมรุไทยวันครั้งนั้นเนี่ยพระอัญญาโกธัญญะได้เห็นได้ได้ไดดวงตาบรรุธรรมเป็นเป็นคนแรกเป็นองค์แรกนะ พร้อมด้วยองค์พร้อมด้วยพรมอีกสิปโกดแล้วก็เทวดานับจํานวนนับจํานวนไม่ได้เลยนับไม่ถ่วนเลยเมื่อเมื่อพระองค์ยืนยันแล้วว่าพระองค์พระองค์ก็ประกาศทำหมุนกงล้อแห่งธรรมนะคําว่าธรรมจักรนี่คือจักอะไรกงล้อคําว่าธรร ม, มะนี่คือหลวงธรรมจักก็คือกงล้อแห่งธรรมนะก็คือหมุนสมาธิหมุนศีลสมาธิปัญญาเนี่ย หรืออก็หรืออริยมรรคมีองค์แปดเข้าสู่กระแสชีวิตจากนั้นก็คือการหมุนหมุนอะไรหมุนหมุนมรรคมีองค์แปดหมุนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมมาสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่หมุนครบเลย หรือศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยที่เราเข้าใจหรือเข้าไปหมุนในกระแสชีวิตของของโยมทั้งหลายเนี่ยส่วนบุคคลใดที่ถูกหมุนที่ถูกหมุนธรรมจักรเนี่ยเข้าไปสู่กระแสชีวิตและเข้าไปสู่กระแสชีวิตนี้แล้วเนี่ยจากคนที่ไม่มีศรัทธาก็กลายเป็นคนที่มีศรัทธาจากคนที่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นคนที่ไม่มีคนก็กลายเป็นคนที่มีปัญญาจากคนที่ไม่มีความเพียรก็กลายเป็นคนที่มีความเพียร จากคนที่มีความฟั่นเฟือนลุนหลงก็กลายเป็นคนที่มีสติจากคนที่เป็ น, ปนคนที่ฟุ้งซ่านก็กลายเป็นคนที่มีสมาธิานี้เป็นต้นและเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมุนเข้าเข้าสู่กระแสชีวิตแล้วเนี่ยคนทั้งหลายผูชนผูถูชนธรรมดาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองจนกลายมาเป็นพุทธะได้ เปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดากลายมาเป็นพุทธะได้เปลี่ยนจากบุตุชนมากลายเป็นอริยะได้มันดียังไงอ่ะเราเป็นบุตุชนทั้งหลายที่เกลือกกลั้วอยู่กับกิเลสทั้งหลายเราต้องไปเกลือกกลั้วอยู่กับทรัพย์ภรรยาและบุตรทั้งหลายของเหล่านี้มันมันเป็นของที่มันเป็นของที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เนาะ ไม่ว่าไม่ว่าการได้มาของวัตถุ ก, การทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ตการแสวงหาแล้วนิยมยมเห็นอย่างนี้ไหมครูพระเจ้าอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เนี่ยยมเห็นด้วยไหมหรือว่าขัดแย้งหรือว่าขัดแย้งกันเอาใครมีความเห็นต่างจากต่างจากนี้บ้างไหมบอกว่าบางคนอาจจะมีความเห็นว่าอ๋อ ก็ซ <chat> ับมันก็ซับมันบันดาลสุขให้ข้าพเจ้าเนี่ยยิ่งกัพย์ทั้งหลายไปเนีคอยบันดาลสุขให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ใครมีความเห็นอย่างนี้บ้างเวลาที่ข้าพเจ้าไปดูหนังข้าพเจ้ามีความสุขเวลาที่ข้าพเจ้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพยบข้าพเจ้ามีความสุขเวลาที่ข้าพเจ้าไปยุ่งเกี่ยวไปดูทีวีไปดูทีวีไปกินอาหารแหมมันมีความสุขจังเลยเป็นงี้ไหม ในในขณะที่เราประกาศประกาศคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เนี่ยเนี่ยพระว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยที่ประกอบไปด้วยพระพุทธคุณคือพระปัญญาคุณพระมหากรพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยพระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเมื่อจะอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ย ย่อมอุบัติเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นคือใครบุคคลเหล่านั้นจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากพระตถาคตเจ้าของเรานี่แหละพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าน่ยซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาเป็นผู้สเสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้โรคอย่างจำแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกผู้ฝึกบุรุษที่สามารถฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาเอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยนะแม้ว่าการแม้ว่าการที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วเนี่ยได้ 2,560 ปีแล้ว แต่คุณของพระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังเป็นอเนกอนันต์ น, นนะหาร่วงไปตามรูปกายของพระองค์ไม่แต่ว่าอะไรแม้ว่าขันรูปขันของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดับขันปรินิพานไปแล้วแต่คุณของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นอนเออนกอนันต์หานับไม่ได้นะคุณของพระพุทธเจ้ายังคงฝังแน่นอยู่ในดวงใจของ พุทธบริษัททั้งหลายนะที่เขาเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นคระพรหมถ้าเทวดาเนี่ยถ้าเทวดานับถือพระพุทธศาสนาถ้าพรหมนับถือศาสนาถ้าเขาเข้าถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะยังคงพระพุทธคุณก็ยังคงตื่นใจเขาอยู่อย่างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนนะเมื่อเขาเข้าถึงอย่างแน่นแฟนก็ไม่มีใครในโลกเนี่ยที่จะพลานาพรลานา คุณของพระพุทธเจ้าให้สิ้นสุดลงไปได้ในโลกนะแล้วคุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่เพียงใดละ่ะเดี๋ยวอาตมาจะยกพุทธพจน์ขึ้นมาขึ้นมาให้ยกตัวอย่างให้ฟังนะพุทธพจน์ว่าอากาสังจักรวารัญจาสัตตาพุทธคุนาพจาอนันตานามจตาร ปริเชโทวิจตีในบาลีกล่าวไว้ว่าอากาศจักรวาลมูสัตว์และพระพุทธคุณนะกล่าวคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละทั้ง4อย่างเนี่ยก็คืออะไรอากาศจักรวาลมูสัตว์และก็พระพุทธ สี่อย่างเนี่ยหาที่สุดไม่ได้ไม่ปรากฏขอบเขตอากาศจักรวาลและมูสว์ไม่ปรากฏขอบเขตแม้คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ปรากฏขอบเขตขนาดไหนเนี่ยแล้วก็มีมีคำกล่าวที่ว่าแม้หากพระผู้มีพระภาคเจ้าทหลาย ทั้งหลายเลยนะไม่ใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงองค์เดียวนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเนี่ยกล่าวคณ น, นาคุณของพระบรมศาสดาด้วยกันเองเนะี่ยโดยไม่แสดงคำอื่นใดเลยแม้กัปนี้สิ้นไปแต่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่หมดเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอากัปหนึ่งยาวนานแค่ไหนยมรู้ไหมกัปหนึ่งยาวนานแค่ไหนกัปนี้ก็คือหมายถึงว่าอายุของโลกใบหนึ่งเลยนะ อุปมาเหมือนกับมีหลุมกว้างหนึ่งโยดยาวหนึ่งโยดลึกหนึ่งโยดเนี่ยโยดละสิบหกกิโเมตรมีหลุมนะนึกภาพนึกภาพออกไหมมีหลุมแล้วก็ทุกทุกทุกๆุกหนึ่งร้อยปีเนี่ยเขาก็จะื่อเขาก็โยนมเมล็ดงาโยมโยมเคยเห็นมเมล็ดงาไหมโยมเคยเห็นเมล็ดงาไหมงาเล็กไหมเล็กนิดเดียวเนาะ ยโยนเข้าไปหนึ่งหนึ่งรปีนะโยนมเมล็ดงาเข้าไป1เม็ดลงไปในหนุ่มหนึ่งร้อปีนะทุกๆุกหนึ่งรปีโยนมเมล็ดเข้าไปดีห1เม็ดเท่านั้นนะหย่อนลงไปเงี้ยจนกระทั่งมเมล็ดงานั้นเต็มเต็มเสมอขอบปากหลุมนั้นเลยเนี่ยหลุมที่ลึกสิบหกิโลเมตรหรือลุกยาวสิบหกิโลเมตรแล้วก็กว้างสิบหกกิโลเมตรลองนึกภาพนะทุกๆุกหนึ่งอยปีหย่อนไปได้แค่ เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวอย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละพอเม็ดงานนะั่นเสมอขอปากหลุมเมื่อไรนําได้หนึ่งกับกับหนึ่งนั้นยาวนานแค่นั้นนะอ้ามีอุปมาแค่ไหนมีมีอุปมามมอีกตัวหนึ่งมีอุปมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีภูเขามีภูเขาเนะี่ยสูง16กิโลเมตรสูงหนึ่งโยธว้างหนึ่งโยธยาวหนึ่งโยธ ก็ในทุกๆ100ปีเนี่ยจะมีเทพยาดาถือผ้าถือผ้าทิพย์เนี่ยที่เป็นทิพย์เนื้อละเอียดขึ้นมาเนี่ยลงมาแล้วก็มาเช็ดที่ภูเขานั้นหนึ่งครั้งเช็ดแล้วก็กลับไปขึ้นสวรรค์แล้วก็ทําอย่างเงี้ยทุกๆหนึ่งปีทําอย่างเงี้ยทุกๆหนึ่งอปีจนกระทั่งภูเขานั้นเนี่ยเฮี้ยนเปลี่ยนราบไปกับพื้นพสุทาเลยนั่นนับได้หนึ่งกลับนี่กลับมานะตรงที่ ที่ตมาบอกไว้ว่าหากแม้ผูปทิพา้าทั้งหลายเนี่ยกล่าวพรรณนาคุณของพระบรมศาสดาด้วยกันโดยไม่แสดงคำโ ด, โดยที่ไม่แสดงคำอื่นใดเลยแม้กับนี้สิ้นไปแต่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่หมดมีขนาดนั้นนะมีบุรุษอยู่คนหนึ่งมีเดชมากมีฤทธิ์มากนะสามารถดลสามารถบรรดาลฤทธิ์ของใ ห, ให้ตัวเองเนี่ยมีศีรษะได้ 1,000 ันศีรษะ แต่ละศีสัแต่ละศีสันเนี่ยก็มีอยู่มีปากอยู่100ปากในแต่ละปากเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งร้ยล้นนับได้เท่าไหร่ศกลงมีปากเท่าไหร่ละมีอยู่ 10,000 แปากนะมีเลิ้นอยู่1โกรด1โกรดโกรดหนึ่งก็คือ10ล้านแล้วก็บุรุษคนเนี้สามารถมีชีวิตได้อยู่1กลับเลยนะอายุยาวถึงหนึ่งกับเลย แล้วก็ครั้ง น, นั้นเมื่อครั้ง น, นั้นก็สาทะยายคุณของพระุผู้มีพระภาคเจ้าตลอดจนอายุไขไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ไม่ได้หยุดหย่อนเลยแม้ชีวิตสิ้นไปแม้ชีวิตสิ้นไปกับหนึ่งก็ไม่อาจกล่าวคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้หมดสิ้นไปได้มีขนาดนั้นนะอาตมาจะยกยกอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าการกล่าวคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยมีท่าน มีท่านท่านหนึ่งในสมัยของพุทธกาลหลังจากที่พระพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสด็จดับขันปรินทรพาน์ไปแล้วท่านท่านนี้เป็นท่านท่านเป็นเป็นพระพุทธรักขิตาการพุทธรักขิตาอดีตชาติก็เคยเป็นสัจสจกะสัจจการนิคนที่ไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้านะในจุลสัจจกาสูตรมหาสัจจการสูตรในชาตินี้ท่านก็จะท่านก็เป็นพระอาหารหันต กล่าวคุณของพระภูมิภาคเจ้าติดต่อต่อเนื่องยาวนานเนี่ยที่กรุงรังกานะท่านกล่าวที่กรุงรังกาคือแสดงคุณของพระภูมิภาคเจ้าติดต่อกันไม่ได้หยุดพักเลยจนเวลาล่วงไปล่วงไปตั้งแต่ปฐมยามมาชิมายามและก็ปัจฉิมายามนะนับได้สิบสองชั่วโมงก็คือเท่ตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงพระทย์ขึ้นก็คือหกโมงเช้านะท่านพอเวลาสว่างตั้งแต่ หกโมงเย็นหรือหกโมงเช้าเนี่ยพอสว่างปุ๊บท่านก็ระหว่างที่ท่านใส่สาธยายพุทธคุณไปนะท่านก็ไล่ไปโดยล ำ, ลำดับนะท่านสาธยายพุทธคุณโดยย่อพอสว่างปุ๊บครั้นเมื่อจบการแสดง พ, พุทธคุณก็มีมีเสียงสาธุสาธุสาธุออกมาสาครั้งที่ปลายสุดของห้องโถงเลยนะเนี่ยท่านผู้นั้นก็คือ พระเจ้าสิทธาภิษามหาราชก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรังกาเลยนะโอ้โหลงทุนมาฟังนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะท่านเนี่ยยืนฟัง พ, พุทธคุณในยาวนานตลอดทั้งคืนนะบอกว่าพเพกาโยมโยมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มหาแบบมหาปวีณาตั้งแต่เมื่อไหร่โอโยมก็มาฟังพระคุณเจ้าตั้งแต่พระคุณเจ้าเริ่มแสดงพร็พุทธคุณเลย แถมเ ม, เมื่อโยมมาฟังเนะี่ยโยมก็โยมก็ยืนตลอดอย่างเงี้ยทั้งคืนยืนยืนพนมมืออย่างเงี้ยตลอดทั้งคืนด้วยอาการยืนพนมมือฟังฟังโดยไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเลยแต่พระคุณเจ้า อ, อ, อาการที่ยืนฟังธร ร, ธรรมเทศนาอยู่ตลอดราตีสยามเนี่ยตั้งแต่ปฐมยามมาชิมยามแล้วก็ปัชิมยามขบจาเนี่ยหาสู้เป็นอะไรไม่เลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับ สำหรับข้าพระเจ้าเลยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับโยมเลยว่านี้โยมเนี่ยตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้ส่งจิตไปทางอื่นเลยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับทุกคนอื่นเนี่ยจะทำได้นะเ น, นี่ยอันเนี้ยยากที่พุคคจะทำได้โยมก็โยมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครอะจะทำได้อย่างโยมเท่าไหร่หรอก oh. พูดอย่างนี้เลยนะโยมลองโยมลองไปยืนยืนฟังทำนะยืนพนมมือทั้งคืนนะ่ะ ไหวไหมโยมสู้พระเจ้าแผ่นดินไหวไหมพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินองค์เนี้ยก็อบอกว่าแม้แม้แม้โยมเองเนี่ยก็ฟังทุกคำเลยแม้จิตที่จดจออ่ออกระแสรพระธรรมของพระธรร ม, มเทศนาทุกคำไม่ได้ส่งจิตออกไปข้างนอกเลย ก็โยมฟังพระธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าเนี่ยแม้ในยาม น, นี้ก็เกิดปรีปรดาพิรม์ชื่นชมยิ่งนะและพระคุณเจ้าก็แสดงพระธรรมเสร็จพระธรรมเทศนาสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างลึกซึ้นมากว่าแต่ว่า พระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าแห่งเราเนี่ยที่พระคุณเจ้าแสดงมาแล้วเนี่ยสิ้นเพียงเท่านี้หรือเอาพระคุณของพระพุทธเจ้ามีเพียงเท่านี้หรือมีเพียงสิบสองชั่วโมงที่พระคุณเจ้าแสดงมาเท่านี้หรือเออว่างั้นนะถามว่าคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่ประการใดขอพระคุณเจ้าช่วยชี้แจงแล้วก็ยกอุปมาหเห็นด้วยเถินนีขอขอให้ขอให้พระเทรอกเนี่ย อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปนะแต่พระเถระก็พูดมาว่ามีบุรุษอยู่คนหนึ่งเดินลงไปทุ่งข้าวสาลีครั้งนั้นใช้เคลียวเกี่ยวข้าวสาลีขึ้นมาหนึ่งยวงแล้วก็ข้าวสาลียวงนั้นนี่แหละเนี่ยก็คืออุปมาเหมือนกับคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาสแสดงใน12สองชั่วโมงนี้ แต่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาไม่สามารถจะแสดงได้เปรียบเสมือนกับมเมล็ดข้าวสาลีที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดมเมล็ดข้าวสาลีที่มีอยู่ในโลกนี้เท่าไรนั้นก็คืออุปมาเหมือนกับคุณของพระพผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดเลยเพราะพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเท่านั้นก็เกิดปิติผนลูกชูชันแล้วก็บอกว่า ขอพระคุณเจ้าอุปมาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดท่านก็ท่า น, รานพระเสียรัสก็กล่าวว่ามีบุรุษอยู่คนหนึ่งเดินถือเข็มนะโยมนึกถึงเข็มออกไหมเข็มไม่มีรูให้สอดให้ได้สอดเข้าไปด้วยเนาะเดินถือเข็มลงไปในเรือนในแม่ลงไปในแม่น้ําครั้นนั้นบุรุษนั้นก็เอาเข็มฝั่งด้านที่มีรูเนะี่ยทิ่มลงไปในน้ํา น้ำที่ลอดออกมาจากรูเข็มน่ะก็เสมือนกับคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาแสดงไปสิบสองชั่วโมงนี้แหละแต่คุณของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาไม่สามารถจะแสดงเปรียบเสมือนกับน้ําในมหาส ม, มุทรของโลกใบนี้ทั้งหมดนั่นแหละมหาโลกพิษโอ้โ ราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ขนลุกชูชันปีติเกิดอีกแล้วแล้วก็อุทานขึ้นมาอีกว่าขอพระคุณเจ้าอุปมาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดพระเถระก็กล่าวต่อว่ามีนกแอบลมอยู่ตัวหนึง่งบินอยู่ในอากาศคันเมื่อบินนะ่ะก็มีครันเมื่อบินไปบินไปเนี่ยปีกและหางของนกนั้นน่ะก็ต้องลม ไอ้ลมที่ไปต้องกระปีกและหางของนกเนี่แหละก็ここเสมือนกับคุณของพร ะ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาสแสดงไปสิบสองชั่วโมงนี้แต่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาไม่ได้สมะไม่สามารถที่จะสแสดงได้ก็เปรียบเสมือนกับอากาศที่เหลืออยู่ในโลกนี้ทั้งใบเลยทั้งสิ้นเลยอากาศนี้ทั้งหมดเน يا, ี่ยคือคุณของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาไม่สามารถจะแสดงได้เลย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 น้ำตาไหลนี่เขาเข้าถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าขนาดนั้นเนาะที่อาตมากล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คุณของพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองถามว่าสําคัญไหมกับ เ, เรื่องนี้ยอมว่าสําคัญเป็นไหมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย เราควรรู้กันไหมว่าเราควรรู้ไหมสําหรับอาตมาก็จะบอกว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราควรรู้แล้วค ว, ว, ควรศึกษาไปอย่างโดยละเอียดอ่อนนะมันสำคัญมากเพราะ อ, อะไรเพราะในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเครื่องมือที่จะใช้ในการตรวจแล้วก็ดูพัฒนาการนะว่ามีความรู้ความเข้าใจในในคําสอนอย่างใรเนี่ย ว่าคำสอนหรือว่าการปฏิบัติธรรมะของเราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเหนือด้อยลงอย่างไรเนี่ยเขาตรวจเขาวางกันที่ศรัท ธ, ธานะศรัท ธ, ธาปัญญาวิีรความเพียรสติสมาธิเนี่ยมีคำกล่าวว่าถ้าถ้าไม่ศรัท ธ, ธาในพรบผู้มีพระภาคเจ้าเหไหนเลยท่านเหล่านั้นเนี่ยจะศึกษาพระธรรมด้อย่างเขา้าถึงจริงไหมถ้าไม่ศึกษาเลยยมจะมานั่งกันอยู่ตรงนี้ไหม เมื่อไม่ศึกษาทําโดยเคารพแล้วเนี่ยไหนเลยท่านเหล่านั้นจะประพฤติธรรมโดยความเคารพได้อย่างไรเมื่อไม่ปฏิบัติธรรมโดยความเคารพท่านเหล่านั้นจะเป็นอริยะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ใช่ฐานะเลยไม่ไม่ใช่ฐ า, านะที่จะเป็นไปได้เลยถ้าเกิดว่าโยมฟังฟังธรรมไปแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนยโยมโยมฟังไปแล้วก็ เดี๋ยวัพักวัตถุการมก็วิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวคิดถึงซับบ้างบุรบางภรรยาสามีบ้า ง, า ง, าาางอ๋อเดี๋ยวก็แกะไปคิดถึงงานที่ติดค้างไว้บ้างมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่แหละแล้วเราะอะนะอาตมาจะให้โยมมาพิจารณาว่าเราท่านทั้งหลายมีได้ตั้งได้ตั้งศรัทธาไว้ที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าคนหรือไม่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งศรัทธาไว้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าคนหรือไม่นี่ต้องใช้คําว่าตถาคตโพธิศรัทธานยิยมเนะคยได้ยินไหมคาว่าตถาคตโพธิศรัทธาแปลว่าอะไรแปลว่าคําว่าตาขาคตรนี่แปลว่าอะไรตถ า, า, า, า, าคตเนี่ยเป็นชื่อของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ท่านแรกที่สามารถฝึกตนเองด้วยความบากบาั่นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะพัฒนาทั้งพฤติกรรมพัฒนาทั้งจิตใจแล้วก็ปัญญาของเอกจนสามารถแทงตลอดอริยาสัตว์สีได้ด้วยตนเองด้วยขนาดนั้นนะโดยที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์แล้วก็ผันตนเองที่เป็นผู้ที่ตัสรู้ได้เป็นคนแรกของโลก ไฟก็แล้วแต่ที่สามารถผันตนเองได้อย่างนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในจุดสูงสุดได้จึงชื่อว่าเข้าถึงของความเป็นตถาคตเข้าถึงของคาว่าความเป็นตถาคตประจัยนี่เนาะคาว่าตถาคตและคำว่าโคทิคคืออะไรคำว่าโคทิเนี่ยศัพท์เนี่ยแปลว่าปัญญา ปัญญาไรปัญญาที่เป็นตัสรู้ความจริงเนะี่ยว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้มันเป็นมาอย่างนี้ไปตัสรู้ความจริงอันประเสริฐรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือสภาวะความดับทุกข์ความดับทุกข์ ค, กคือทีโรธแล้วก็ผลทางความดับทุกข์ก็คือมรรคอปฏิบัติเข้าสู่การดับทุกข์ได้เมื่อตัสรู้ทุกขนะ์น่ยตัตตสรู้เหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วก็ตัสรู้ความดับทุกข์ตัสรู้ พอปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความตัทุกแล้วเนี่ยเมื่อท่านแทงตลอดความจริงสอย่างเนี่ยความจริง4ประการเนี่ยได้ด้วยตนเองเนี่ยท่านจึงได้พระนามว่าตถาคตที่เป็นผู้พัฒนาปัญญาเข้าถึงจุดสูงสุดได้นี่แปลว่าอะไรนีมีมตถาคตแล้วนะและโยมเข้าใจว่าโพธิโพธิแล้วนะโพธิคืออะไรโพธิแปลว่าปัญญาตัดสั้ความจริง เดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาเนี่ยโยมผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันวันเมรืนนี้หรือวันไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยอาตมาจะลองถามโยมโยมคราวที่แล้วอาตมาเทศเรื่องอะไรโยมจํร่ายหรือเปล่ า, <c oughs> านี้ดีไหม <c oughs> ทีนี้ทีนี้คำว่าศรัทธฐฐฐาตถาคตโพธิศรัทธามีคําว่าศรัทธาเนาะศรัทธาแปลว่าเชื่อมั่นคำว่าโธาาาพธิศรัทธานี่คือเชื่อมั่นในปัญญาตัสรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชนะใชชนะเชื่อมั่นบุคคลนะไม่ใช่เชื่อมั่นพระพเจ้านะแต่ไปเชื่อมั่นในตัวปัญญาปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทีนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเราเป็นเป็นผู้ที่มืดบอดเนดาะโดนกุ้มกลุมไปด้วยวิชาคือความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยเราเป็นผู้ ไม่มีปัญญาชนิดนี้เราไม่มีปัญญาที่จะไปตัดสู้อริยสัจได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทํำยังไงถึงเราจะได้ปัญญ า, านี้มาเนาะขั้นแรกดางนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยมีศรัทธาซะมีศรัทธาซะเพราะว่าการจะไปทําเองการจะไปศึกษาการจะไปปฏิบัติเองให้ตัดสู้ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องใช้เวลานานยีอสงไขยด้วยแสนมหากรัม บำเพ็ญบารมีได้ถึงขนาดนั้นหรือย่างแต่ทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุปความจริงมาแล้วมาเปิดมาเปิดเผยธรรมนั้นมาทําให้ง่ายมาทําให้แจ้งมาบอกความจริงไม่ต้องไปเดินทางก่อแปลค ผ, ผู้มีพระภาคเจ้าแล้วที่ท่านมาบอกเคล็ดลับให้เลยเนี่ยทางลัดเข้าสู่เข้าสู่นิพพานความทางลัดเข้าสู่ความสุขได้โดยง่ายโดยไม่ต้องไปทําเองเนี่ยให้เราอะ ของเราไปวางไว้ที่ปัญญาของท่านซะนี่คือเชื่อมั่นในปัญญาของพระพุทธเจ้าเอาปัญญาเนี่ยไปฝากไว้ที่พระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยฝากไว้ฝากไว้ที่ท่านเชื่อมั่นว่าท่านน่ยรู้ความจริงจริงๆและหลังจากที่เมื่อเราเอาปัญญาไปฝากไว้ที่ท่านแปลวอะไรเราเข้าไปประพฤติไปปฏิบัติไปเข้าไปศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนาะเมื่อเมื่อเรามีศรัทธาตั้งไว้ถูกที่แล้วเนี่ยเราไปเข้าเข้าไปศึกษาแล้ว แล้วเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือบุคคลที่จะแสดงธรรมแบบนี้ได้เนี่ยมีเพียงพระคถาครเจ้าเท่านั้นหาเป็นอื่นไม่ได้เลยธรรมะที่โยฟังกันอยู่ทุกนี้ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับคําสอนของพระผู้เจ้านะที่ที่ตกทอดกันมาจนถึงทุกวันเนี้ผ่านผ่านครูผ่านอาจารย์อย่างมากมายมากันนักไม่ท้วนเลย ดังนั้นเนี่ยเราต้องดังนั้ น, น ท, ท, ที่คําว่าตถาคตโพธิสัทถาก็คือเชื่อมั่นในปัญญาตัสรู้อริยสัจสของสัมมาสัมพุทธเจ้านะเชื่อมั่นในปัญญาเชื่อมั่นในสัมมาสัมโพ ธ, ธิญาของพระพุทธเจ้านะโยมมีไหมโ ย, ยมมีตถาคตคโพธิสัทถามาั้ยโยมลองสารวจตัวเองดูนะว่าโยมมีตถาคตคโพธิสัตถาหรือเปล่าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่า ทีนี้น่ยพอเชื่อมั่นในปัญญาประเริฐของท่านแล้วเนี่ยว่าท่านเป็นคนแรกเป็นมนุษย์คนแรกเป็นมนุษย์ต้นแบบเป็นเป็นมนุษย์สูงสุดแล้วเนี่ยเราก็เลยย้อนกลับมาดูตัวเองทีนี้ว่าเราเป็นมนุษย์ไหมเราเป็นมนุษย์จริงหรือไม่เราเป็นมนุษย์กันหรือไม่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ไหมอ่ะเป็นและพระพุทธเจ้าทําอะไรให้รู้พระพุทธเจ้าบอกอะไรเรา เออแล้วบอกหลายเพื่ออะไรเพื่อให้เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าใช่ไหมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถผันตัวเองได้จริงๆนะผันตัวเองฝึกตนเองทําสัมมาสัมโพธิญาที่เกิดขึ้นทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้และตัดสรุปความจริงได้โดยไม่ต้องฝึกเองด้วยเนี่ยไม่ต้องฝึกไปทําเองอย่างพระพุทธเจ้าทรงทํำแต่ทําตามหลักการที่ทรงบอกเอาไว้และเราก็ได้ปัญญาสัมมาสัมโพธิญานั่นเอง เ่อเราทําอย่างอย่างที่พระเจ้าสอนแล้วเราก็ย่อมได้ย่อมได้ปัญญาคือญาณนะพระเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าธรรมะอะไรสูงสุดนะสัพเพธรรมาปัญญุตราธรรม ะ, รรม ะ, รรมะทั้งหลายมีปัญญายอ้อนมีปัญญาสูงสุดดีไหมก็เพราะความมืดบอดนี่แหละพราะความไม่รู้นี่แหละเราท่านทั้งหลายก็เลยต้องจมอยู่กับต้องต้องประสบกับ ชาติทิพยยชาราภัยมรณะภัยพิญิยะภัยอยู่ร่ำไปประสบกับความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจอยู่เนี่ยมานานมานานนับหาประมาณไม่ได้เลยแม้กระทั่งคุณของพระผูบบ้มีพระเจ้าเราเองก็ยังไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดอย่างท่องแท้แม้แม้แต่การปฏิบัติต่อพระรูปเจ้าเราเองก็ยังไม่รู้ แล้วเราจะแล้วเราจะได้แลได้แล้ ว, แ ล, ว, แ, ล ว, แ, ลวแล้วเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์กันได้ไม่ใช่ฐานะเลยใช่ัหมอ่ะแล้ววันนี้เราก็มาศึกษาว่าตถาคตโพธิสัตย์เป็นยังไงเนาะยมเข้าใจกันหรือยังตถาคตคโพธิสัตย์คือเชื่อมั่นในปัญญาปัจจรู้ของพระตถาคตเชื่อมั่นในปัญญาปัจจรู้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยปัสสรูปรรอริยศัศจสีจริงๆเมื่อเชื่อมั่นแล้วก็เข้าไปศึกษาเข้าไปไปพัฒนาตนเองคือบอกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพุท ธ, ธได้กลายเป็นอริยะได้จากกุชนจากกุุช น, ก, ชนกลายเป็นอริยะจากมนุษย์สามารถกลายเป็นพุทธะพุทธะนี้สับเนี้แปลว่าปัญญาเป็นผู้มีปัญญาได้ พระพุทธเจ้าเองท่านก็อุปมาตัวท่านเองนะท่านพูดเองเลยนะว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยเหมือนกับไก่ตัวพี่ที่ฝึก ต, ตนเองพัฒนาตนเองเนี่ยพัฒนาจะงอยปากแล้วก็ฝึกโครงเล็กออกมาณให้แข็งแรงแล้วก็ฉีกเปลือกไข่ออกมาเดินออกจากเปลือกไข่มาเป็นตัวแรกเป็นไก่ตัวพี่นะพระองค์พูดพูดเองเลยนะพระองค์เนี่ยเป็นไก่ตัวพี่นะพวกเราเป็นไก่ตัวลงังหลังเพียงอยู่ในเปลือกไข่อยู่อ้าว ทำไมเราเป็นไก่ตัวตัวหลังๆที่อยู่ในเปลือกไข่อยู่ะ่ะถามว่าถามว่าเราจะยอมตายอยู่ในเปลือกไขหรือจะฝึกตนเองตามที่ไก่ตัวพี่บอกวิธีการแต่ถ้าพูดอย่างนี้นี่ก็ก ถ, ถ้าต้องการอยากจะตายอยู่ในเปลือกไข่นะตายอยู่ในเปลือกไข่ก็ไม่ต้องทำอะไรอย่าไปเชื่อมั่นในศักยภาพว่า ไก่เนี่ยสามารถทําจะนอยปากสามารถฝึกตนเองแล้วออกมาจากเปลือกไข่ได้แล้วก็เดินออกมาจากสู่ออกจากเปลือกไข่ไปสู่โล ก, กว้างไปสู่อิสระเสรีภาพได้ก็ก็ไปอยู่ไปจมอยู่กับซัดไปจมอยู่กับบุญไปจมอยู่กับภรรยาอะไรต่างๆนี่แหละไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องฝึกฝนตัวเองอะไรอยู่ไปวันๆเดี๋ยวก็ตายไปแล้วก็จมอยู่กับความเม่อคือวิชานแหละออดีไหมมิทัตโยมไม่ต้องการจะฝึกอะไรนะั้น แต่ถ้าโยมเชื่อมั่นว่าไก่ตัวพี่เนี่ยให้ไม่ได้แล้วเราต้องฝึกฝึกทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจฝึกทั้งด้านปัญญานะพอแข็งแกร่งแล้วก็ทําลายราคะโทสดโมหะเนี่ยเป็นเหมือนไก่ตัวพี่ได้แล้วก็เดินออกมาสู่โลกว่างเป็นอิสระเสรีภาพได้โอ้นี่เป็นยังไงฉะนั้นคําว่ากตฐ า, าคนโคที่ศทิทธานเนี่ยสำคัญหรือไม่ ควรรู้ไหมโอ้สำคัญมากเลยนะให้ไปเชื่อมั่นในปัญญาของท่านก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเชื่อแต่ผู้นอกนะโอ้พระเจ้าดีเลิศพระเจ้าสุดยอดสุดยอดแต่เรา ด, ดี่สุดแย่สุดแย่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพยมเป็นอย่างนั้นเนะชื่อว่าไม่มีตถาคตที่ศรัทธานะพยมไม่มั่นใจความสามารถความเป็นมนุษย์ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในศักยภาคพความเป็นมนุษย์ไม่ไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยฝึกได้ ตัวเองเนี่ยพัฒนาได้ตัวเองเข้าสู่ควาเมเป็นนักญาตได้มนุษย์ธรรมดานี่เข้าสู่พุทธะได้ถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นแปลแสดงว่าโยมไม่มีตถ า, าคตโพธิสัตฐานนะมัเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าคุณเชื่อมั่นในในมนุษย์ระดับพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อมั่นในมนุษย์ที่เป็นอยู่ด้วยเราก็ต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยฝึกพฤติกรรมก็ได้ฝึกจิตใ จ, จโดยเฉพาะฝึกปัญญาเนี่ยให้เป็นโพธิ ให้เป็นสัมโพที่ให้สามารถตรัดสรู้สัจจะตัดสรู้ความจริงและบุคคลต้นแบบที่เป็นที่เป็นมนุษย์ต้นแบบระดับพระพุทธเจ้าได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นผู้มีตถาคตโพธิสัตย์าโยมีกัลยา แต่ถ้าเราเราไม่เชื่อนะแต่ถ้าเราไปเชื่อแค่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เชื่อว่าเชื่อมั่นในตัวเองเเขาเรียกว่าไม่มีสถาพนิสทานะเสียทั้งสองชั้นเลยนะชั้นแรกคืออะไรชั้นที่1นึงก็คือเอาความเชื่อไปไปเชื่อในปัญญาของพระพุเจ้าก่อนชั้นที่สองก็คือเมื่อมั่นใจตัวเองเมื่อมั่นใจ เมื่อเชื่อมั่นตนเองว่าสามารถฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในตนเองได้เนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าทําให้ดูอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้านีแสดงให้เห็นแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีตถาครตรสทาราอันนตมาจะยกตัวอย่างไปตัวอย่างหนึ่งนะในสมยัยพุทธการสําหรับคนที่ที่เรียกว่ามีตถาโคตรสทาร์ยกตัวอย่างพระเจ้ามาหากินนะโยคานจะไม่เคยได้ยินนะเคยได้ยินไหมพระเจ้ามาหากินนะ ท่านท่านนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะและต่อมาก็มีพ่อค้าพ่อค้าชาวสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ภรมิสาวทถีแล้วก็มีพ่อค้าเนี่เดินทางไปที่เมืองของพระมหากรีนะั้เดินทางไปที่เมืองของท่านเนี่ยอันดับแรกเลยพอมาถึงพวกท่านก็ถามว่าท่านมาจากไหนก็บอกว่ามาจากสาวัตถี แล้วก็พระมหารกรรณิ์ น, นี่ท่านก็เป็นนักศึกษาเนาะท่านเองก็มีมีกาคิดอยู่ว่าท่านท่านเป็นผู้ฝ่รู้นเถก็คือท่านอยากรู้ว่าอในโลกนี้มันมีอะไรดีมันมีอะไรเลิศมันมีอะไรประเสริฐอะไรมันดีที่สุดกันแน่ในชีวิตเนี้ยอะไรมันดีจริงเนี่ยท่านก็บอกว่าก็คือไม่เหมือนกับถนมนุษย์บางคนเนี่ยนะบางคนเป็นคนที่ยึดถือ ถ้าไปได้อะไรแล้วก็จะยึดถืออย่านั้นน่ะแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเลยแล้วก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นในภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าดักดานอยู่อย่างนั้นน่ะยอมเป็นยังไงยอมดักดานอยู่อะไรกับความเห็นเดิมเดิมไบางคนตั้งแต่ความเห็นของตัวเองเลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยเปลี่ยนความเห็นเมื่อที่เจอเจอสิ่งที่ดีกว่านะแต่ก็ไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยฝึกไม่เคยพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังยังรับความเห็นเดิมเดิมเนี่ยอันนี้ต้องการชี้เห็นอะไร การชี้เห็นว่าเนี่ยพระเจ้ามาหากรพินธนั้เนี่ยท่านเป็นเป็นคนที่มีลักษณะมีลักษณะที่ถ้าเจอของถ้าถ้าได้โอกาสเนีเจอของที่ดีกว่าแล้วนะท่านยอมทิ้งทิ้งไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปเลยนะทันทีให้สังเกตดูนะว่าตอนตอนที่เห็นชาวเมืองสวัสดีเนี่ยทีแรกท่านก็ถามว่าพระเจ้าดีของท่านเป็นยังไงถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วท่านก็ถามว่า เมืองของท่านนมีอะไรดีดีที่สุดเมืองของท่านสวัสดีที่สุดะมีอะไรเมืองของท่านท่านแล้วแล้วพ่อค้ารับเปล่าว่าอตอนนี้ข้าพระเจ้าอยู่พูดไม่ได้หรอเอา้าทําไมละ่ะทําไมถึงพูดไม่ได้ละ่ะก็เพราะว่าการพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศที่สุดเนี่ยปากต้องสะอาดก่อนโอ้ขนาดนั้นเลยนะมือต้องสะอาดมือต้องสะอาดก่อนด้วย ดีขนาดนั้นเลยอ่ะงั้นสั่งอามาดงั้นอามาดก็สั่งว่าแปวน้ํามาแล้วแล้วอามาดก็ไปเอาน้ำเนีใส่น้าเต้าทองนะแล้วก็ยืนที่ข่อค้านะั้นอ่ะข้อค้านั้นก็จัดการเสนีระทําการบ้วนปากล้างกับล้างปากล้างมือให้สะอาดนะอา้าแล้วช่วยพูดสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้ข้าพเจ้าฟังทีแล้วแล้วพ อ, พอข้อคนะ้าเนี่ย ทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยก็หันหลังให้พระเจ้าแผ่นดินเลยนะโหหันหลังพระเจ้าแผ่นดินนะหันหน้าไปทางเมืองสวัสดีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่แล้วก็บอกว่าบาัดนี้พระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าบางเกิดขึ้นแล้วในโลก องเป็นอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด่มเงินเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาวิชาแปดจระสิบห้าเสด็จมานี้แล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารทิผู้ฝึกบุุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาเทพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้แจกแจงประธรรมรัตนะและพระองค์เนี่ยมีความสามารถในการแสดงพระธรรมที่งามงามทั้งในเบื้องต้น ง, งามทั้งในท่ามกลาง และงามในที่สุดนะถึงแม้ถึงพร้อมด้วยอัจฉริะถึงพร้อมด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนะขนาด น, นั้นเลยนะแล้วสามารถทําให้มนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพุท ธ, ธะสามารถทําให้ปุถุชนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นอริยะได้อขอพระเจ้าแั่นดินได้ยินฟังอีกแล้วโอ้โห พระเจ้าแผน่นนได้ฟังนี้ว่โอ้โหพระเจ้ากับพิ น, นกกาก็ทุธานขึ้นมาเนี่ยปีตินะคนลูบชูชันเลยก็ประทานทรัพย์ที่แสนนึงให้กับพ่อค้าเลยเนี่ยแล้วก็กล่าวต่อไปว่าช่วยบอกสิ่งที่เลิศ ก, กว่านี้มีอีกไหมพ่อค้าก็กล่าวว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติกขึ้นปรากฏชัดได้ดตัวตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ ไม่จํากัดการนะก็หมายถึงว่าให้ผลได้ตลอดเลยไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันนี้โน่นอีกร้อปีนะจะไดเห็นผล เ, นเห็นผลได้ในปัจจุบันเลยเนาะมีคําว่าไม่จํากัดการเป็นอย่างนี้คือสามารถเกิดผลได้ทันทีเนี่ยระหว่างมัคเนี่ยผลทั้งหลายเหล่านี้ก็ควรเรียกให้มาดูมาสู่ม า, มาพื่ปฏิบัติโอ้โหพอพูดอย่างนี้พระเจ้ากับปีน็อะไรขน ล, ลุกชูชันมิติและอุทานขึ้นมาอีกว่า อ๋อยังมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมบอกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยบาตรเกิดขึ้นมาแล้วสงฆ์สาวกของพระผู้มีพพ้านเจ้าี่มีพระโสดาบันพระสกัดพระคาร์มีพระอนาคามีพระอาหารนะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วไล่ไปตามลาดับนะแล้วก็มีคนยืนยันเรามีพยานว่านั้นเกิดว่าว่า ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นพระธรรมดีจริงว่าพระพระคุณพระเจ้าเนี่ยท่านตัด ส, สู้ความจริงแล้วทีนี้ที่นี้พอพร ะ, พระเจ้ามาหากรรพินาเนี่ยท่านได้ฟังท่านก็ลุกผลลุก ข, ข, ขึ้นชูชันในฐานะทรัพย์ที่เคยมีแสนนึงโอ้โหแล้วก็แล้วก็หันไปหาอามาดห้าร้อยนะแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายท่านได้ยินเรื่องนี้แล้วท่านคิดอะไรอยู่เนี่ย ส่วนเรานะเราคิดว่าและเราจะอยู่เป็นทำไมเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราได้เข้าเราเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนของสินค้าให้ได้เราจะต้องฝึกตนเองนะแล้วก็ตัดสรู้ความจริงความรู้จักให้ได้ก็เพราะคนอื่นตัดสรู้ได้ก็มนุษย์ทางนั้นนี่แหละก็ตัดสรู้เนี่ยแล้วเราก็เป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ย ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นราชบัลลังก์แล้วก็ทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนก้อนเสเลดที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วเท่านั้นเองข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะกืนไอ้ก้อนเสเลดนี้ลงไปข้าพเจ้าปรารถนาจะคายก้อนเสเลดนั้นทิ้งไปนะแล้วก็อ่ะราชบัลลังก์นี้ราชบัลลังก์นี้เราให้ท่านให้ท่านเนี่ยถือสารไปบอกมาเหสีด้วยว่าเนี่ยเราไม่ปรารถนาราชสมบัติแล้วเราให้ท่านเลยยกให้ท่านนะ เราจะไปพาพระพุทธเจ้านะเรามั่นใจว่าเราไปฝึกตนเองจากมนุษย์เป็นพุทธเป็นจากมนุษย์ให้กลายเป็นพุทธาได้สามารถฝึกตนเองให้จากปุบุชนธรรมดาให้กลายเป็นอริยะได้แต่พูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยกลุ่มอมารก็บอกว่าเฮ้อเนี่ยขนาดท่านเนี่ยโอ้ขนาดนี้ท่านยั ง, ท, ง, ท, งทิ้งเราทิ้งทิ้งเราทิ้งทรัพย์เห็นเห็นทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นของเป็นเหมือนกับสเสศษที่ติดอยู่ปลายลิ้น เนี่ยแต่ว่าเราอะเราเป็นอมากธรรมดาธรรมดาทั้นั้นเราเราก็มีแค่เราก็มีแค่ทรัพมีแค่ภรรยามีแค่บุตรมีแค่ไล่มีแค่นามีของแค่เนี้ยของทรัพย์ทินเล็กน้อยเหลือเกินอา้าวเราเชื่อท่านแล้วกันเราเราจะไม่กลับไปที่เราจะไม่กลับไปที่บ้านของเราแล้วเราเร า, เราจะไปเค้าเ้ า, าพระรูปเจ้าเหมือนกันเนี่ยแหละพอพูดมันพูดอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าโอโ้โหพระมหากับปินาเนี่ยเขามีความ ความเชื่อมั่นเนะาะความรู้เจ้านี่ดีจริงๆแล้วก็อมากทั้งห0าอยนี่ก็เชื่อมั่นเนะาะความรู้เจ้านี่ดีจริงๆแล้วเสร็จแล้วก็ดิ่งไปยังควบม้านะฮะควบม้าทั้งห้าร้อยเนี่ยไปยังรูสาวัตถีเลยมีเป็นอย่างนี้ครับว่ากัว่าสุดท้ายแล้วพระราชสารเนี่ยจะต้องฝากไปกับประชาชนที่อยู่แถวแถวนั้นน่ยกลับให้กลับไปกลับไปบอกมาเหสีเนี่ยเราไม่ปราถนาในทรํายนั้นแล้วแต่ท่านก็ชักม้าเนี่ยหันหน้าไปทางสาวตถีี่ไม่รอช้าควบม้าไป500้าร้อย ยอมเข้าใจคําว่าตถาคนคนิสชาเนี่ ย, ยตถาคนค น, สนิสชาคือเอาปัญญาเนี่ยไปฝากไว้ในตัวเจ้าก่อนเนี่ยท่านมหากปินญาเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เนี่ยยอมทิ้งความเห็นเก่าๆความความรู้เก่าๆทฤษฎีเก่าๆยอมหลักการโเ ก, า ก, ก่าๆวุ่เก่าๆนะที่ไม่สามารถทําตนเองที่ออกจากวัฏจักิได้แล้วท่านก็เห็นว่าไอ้วิชาการนี่แหละ เป็นวิชาการที่สามารถนําตนเองเนี่ยออกจากทุกออกออ ก, ออกจากทุกทีงหลายได้เนี่ยวิชานี่แหละมันเป็นวิชาที่ที่ดีที่สุดละทําให้หลุดพ้นออกจากกิเลสและวองทุกข์แล้วเราก็มั่นใจว่าเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นในพระธรรมนะเราเชื่อมั่นว่าเป็นมนุษย์ที่จะต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้ด้วยและท่านทั้งหลายและและท่านก็ได้เป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะ แลนที่สุดจริงๆก็ทั้งพระมหา ท, ท, ทั้งพระมหากัปปินะแล้วก็อมตะห้าร้อยนะในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นอระมหาในวันนั้นเลย <c oughs> และในวันนั้นเองเนี่ยแต่ท่าแต่ท่านะวันนั้นเอง เ, เออเนี่ยพระมหากัปปินะเนี่ยจะคิดว่าเออ มนุษย์อย่างเราทำไม่ได้เหมือนกันเราคงเป็นเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สร้างบารมีไว้อย่างพระพุทธเจ้านะถามว่าท่านถามว่าท่านจะลังเลท่านมีความลังเลอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยท่านจะไปไหมท่านจะไปภูมิสาวกีจะควบมา้าไปอย่างนะั้นล้วแล้วโยมเป็นแบบไห น, นโยมโยมเป็นกันแบบไหนที่เขาบอกว่าคําว่าสัมภาเนี่ย อา่มาจะขอสรุปสรุปโดยสั้นๆ น, นะว่าถ้าเกิดว่าโยมทั้งหลายหรือเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ตั้งศรัทธาไว้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าไหนเลยท่านเหล่านั้นจะศึกษาก็ทธรรมดยความเคารพ แล้วก็เมื่อไม่ศึกษาธ็ทำโดยความเคารพหลายเลยท่านเหล่านั้นจะประพฤติปรติปฏิบัติโดยความเคารพได้อย่างไรเมื่อไม่ปฏิบัติตามตามธรรมโดยความเคารพท่านเหล่านั้นจะเป็นอริยาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ใช่ฐานะเลยเป็นนั้นไหมงั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะงั้นอนตาตมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะวันนี้อตาตมาเทศเรื่องอะไร ถ้าการอาตมาถามข้างนอกนิยมจำได้เนาะงั้นสมควรแก่เวลาแล้วงั้นโยมท่านใจรับพรศาสนาสาจโรกัสสตวุวิถาวะทิสปัสขาสนาปิจโรกันจารเยวะรัะคันตุสัพพา มีพ้นตุสุขีสัพเพปราวารีเฮตะโนอานิคาสมณนาพ้นตูตุสหะสัพเพหิยะตัติสุขังสุปฏิสุขังสติปุชตินะปาคกังสุปินังปัสสติมนุษานางปิโยโภติภัางปิโยโภติเทวตาราชตินาสัิวาวิสัมวาสัทถังวาธรมติตัวตามจิตถังสมาธิติมุขวันโนวิปัสสิทติ์อสมุนโกรังโรติเรกาปฏิทิชนโตภะโิโกโติด้วยอานาแห่งคุณของพระพุทธเจ้าคนของวัธรรม และคุณของพระสงฆ์ขอให้คุณโยมทั้งหลายเป็นผู้หลักเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ผันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอาวุธทั้งหลายไฟสาตรายับยัโลกร้ายให้เปลีป่ย น, นี่ยมีสีหน้าที่ของสายมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการบูญญามีสุขติเป็นไปในภบหน้าปรารถนาทร า, าปรารถนายศปรารถนาความสุขขอให้สมปรารถนาในที่สขานในการเมื่อค